โอ้พี่น้องไปยังหลายอยะมือนี่วันที่สามล่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สามมกราคมพุทธศักราชสองพห้ารอยห้าสิบปดวันนี้เป็นเลยปีใหม่มาแล้วแต่อากาศรู้สึกว่าเย็นหนาวเหน็บ <c oughs> ตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเลยยังไม่ ยังไม่ถอยหลังเลยเจียมั่าหนักหน้าอยู่วันนี้ก็รู้สึกวันหนาวลงคงจะอีกสักหลายวันอยู่มั่งที่จะถอยเพรามันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้ว <c> เ <oughs> มื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรท่านก็เข้ามาวัดท่านมาปารพเกี่ยวกับ เจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัวเพราะว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยหลวงตาจุตินี่แลรวผ่านไปแล้วสปีนะลูกหลานคณะจัทธาญาิโยมเนี่ยวันที่30 3สามสิบมกราเนี่ยแปลว่าครบสปีพอดีเจดีย์ JD ก็ยังเริ่มล ะ, ะท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าขึ้นป้ายละ เิดว่าปีนี้และปี58ปปี58คิดว่าน่าจะได้ลงมือการก่อสร้างว่าทางสถาปนิกก็ออกแบบก็ไปเรื่อยๆจนจะเสร็จแล้วละเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ก็เลยทาให้ล่าช้าแต่ที่ยังไงก็ได้สร้างแน่ ปีห้าปดในความคิดของทุกคนผู้เกี่ยวข้องนะแต่ฝ่ายพระสงฆ์ก็ประชุมกันเมื่อที่าลากลางกับท่านผู้วาราชการจังหวัดครั้งหนึ่งแล้วปีนี้นี่เร็วๆนะเมื่อเดือนธันวานะแล้วกัวันที่ยี่สบก็ประชุมกันอยู่ที่สวนแสงธรรมกรุงเทพ คณะสงฆ์ก็ได้หารือกันแล้วก็อีกไม่นานนก็คงจะได้หารือกันอีกเป็นระยะระยะเพื่อให้ความเพื่อความเตรียมพร้อมเพราะว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยจะสร้างขึ้นมาก็ต้องอาศัยสิทธิานุสิทธิหลายๆคนหลายๆระดับหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาปรารบกันจะทำยังไงเห็นดีที่สุดนะ ทุกคนมีความหวังมีความตั้งใจเพื่อจะให้บูชาพระคุณหลวงตาให้ดีที่สดุดอันนี้ก็คือที่พูดกันเมื่อวานในท่านผู้ว่าท่านก็ได้มาปลาโรคเรื่องนี่แหละเลือดเจดีย์ของหลวงตาของพวกเราแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สคณะสัตยาติโยมตั้งแต่วันที่ วันที่หนึ่งหลวงพ่อไม่ได้อยู่นะหลวงพ่อลงไปทางภาคตะวันออกทางชนบุรีแล้วก็กลับขึ้นมาวันที่หนึ่งลงไปวันที่สามสิบเอ็ดกลับมาขึ้นมาวันที่หนึ่งตอนเย็นหลวงพ่อไม่ได้อยู่พบศรัทธาญาติโยมวันปีใหม่แต่วันที่สองเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมยัง เข้ามาเกี่ยวข้องอุณหาฝาคั่งแต่วันนี้ก็ยังมีมาจากหลายแห่งที่เขามาทำบุญแต่เมื่อกี้นี่ก็ศรัทธาญาติโยมได้มาทำบุญมาทำบุญกุศลอันนี้คือเป็นพระเพเนในช่วงปีใหม่พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมบางท่านก็ไปทำการทำงาน อยู่ในต่างจังหวัดพอกลับมาบ้านแล้วก็ปีหนึ่งก็น่าจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณที่ท่านผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาได้ให้มรดกเรามาเออมรดกเรื่องร่างกายก็ไม่ว่ากันละ ในมอระดกเรื่องที่ไล่ที่นาที่พักพาอาศัยพวกเราได้รับความสะดวกสบายเพราะบนรนพุบรุษ ท, ที่ท่านได้ทำมารักษามากระมอบให้กับเราแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้ล้มหายตายจากไปพวกเราอยู่เบื้องหลังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องทดแทนพระคุณของท่านปีหนึ่งพวกเราก็มาขึ้นมา แล้วก็เข้ามาสู่วัดวาศาสนาจากนั้นก็ได้ทําบุญทิศส่วนกุศลถึงจะมากหรือน้อยอันนั้นก็ไม่ว่ากันอันนั้นคือน้ําใจเอ่เมื่อทําบุญแล้วก็ยบจบใส่ศรีรษะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ่งสถิตยอยู่นะทินใดข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีอะไรก็ขอให้มีส่วนในการทําบุญกับข้าพเจ้าทุกครั้งนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นพอเราเป็นผู้ลำลึกถึงพระคุณถ้าว่าผู้ใดก็ตามลำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณอยู่กับตนไว้ในอยู่เสมอนะผู้นั้นจะไม่ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็น มาในพระไตรปิฎกก็มีอย่า ง, ง, งสานุสานุสามมเน <c oughs> สานุสัมมาเนนน้อยพอเกิดมาแล้วแม่เป็นสัมมาทิฐินับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอเห็นลูกขึ้นมาพอที่จะบวชได้กัเอาไปบวชเอาไปฝากไว้บวช แม่ก็ที่อกดีใจเห็นลูกบวชแต่สัมมาณ น, น้อยเน่ก็เป็นผู้ตั้งใจทำกิจวัตรข้อวัดดูแลครูบาอาจารย์จนเป็นที่ยกย่องยอมรับของพระสงฆ์ทั้งหลายแต่บางทีถ้าเขาก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ให้ให้สั ม, มนเณีสวดสวดมนต์สาธยายก็คงจะลักษณะนี่นะ ให้ศีลให้พรเนี่ย เ, เสียงดีนิสัยคล่องแคล่วกูบาอาจารย์อสัมมาเดชวันนี้กาวสาธยายธรรมข้อนี้สิแต่คาว่าไม่ครับเนี่ยไม่มีสัมมาเดชมีแต่ว่าพระสงฆ์ใช้ทมเลยเาสาธยายธรรมพอจบลงแล้วสัมมเดกับอุทิศส่วนกุศลนะอพอทา แสดงธรรมจบลงลดเรียบร้อยแล้วนะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สาธยายธรรมออกไปนี้ขอให้เป็นขอให้มีส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบิดามารดาของข้าพเจ้าในอดีตชาติและในปัจจุบั น, นชาตออิมีส่วนในการบุญการกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําความดีทุกครั้งด้วยเทอนินนะสัมมเเรณ จ, จะกล่าวอย่างนั้นทุกครั้ง แต่ในอดีตชาติแม่ของสัมมาเดชเคยทำทำกรรมเนี่ยเป็นได้เป็นยักษ์คีนีไนะได้เป็นยักษ์ยักษ์คีนีแต่ว่าพอรู้ว่านี่ลูกชายเนี่ยมาบวชยักษ์คีนีคนนี้กเขารู้สึกดีอกดีใจพรเห็นลูกชายบวชแปลว่าสัมมาเดชมีแม่สองแม่มนุษย์หนึ่งแนะแม่ยักษิคีนีหนึ่งฮนะีต่อมา เวลาทําบุญทุกครั้งในสัมมนาอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งเน่ยยักษิคีนีที่เป็นเออมนุษย์น่ยที่เป็นวิญญาณเวลาสัมมนาจะอุทิศส่วนกุศลยักษิคีนีนี่ก็มาแล้วก็เวลาสัมมนาจะกล่าวสาธยายธรรมเทวดาก็มารวมกันเพื่อฟังธรมงธรมเพื่อฟังธรรมคาสอนสัมเนาผู้มีศีล แต่เวลาขณะนางยักษกินีเข้ามาเนี่ยเทวดาจะแยกทางให้ เ, ยเอยคล้ายๆก็ว่าให้เกียรติเหมือนกันเะเพราะว่านี้คือแม่สัมมนเนนให้เข้าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่มาร่วมฟังธรรมครูหลุกชายของเขา เ, เ, เทพ เ, เ, เทวดาทั้งหลายเนี่ยลี่ทางให้ให้แก่ยักษกินีจตตามไม่จริงถ้าหากว่า เรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็แปลว่าเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงสัมมเณีแต่ได้ถือว่าเป็นแม่ของสัมมาณีเทวดาแยกทางให้ให้อาชนะที่สูงให้ของที่ดีกว่าเหนือกว่าให้ความเคารพอันนี้คือแม่สัมมาณีนี่แหละเทวดาเขาก็แบ่งชั้นเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็พอต่อมาสัมมาณีนนะ่ะอายุมากขึ้นเลยนะ <c oughs> อายุขึ้น ควนจะยี่สิบปีตอนนี้คนที่มีอายุยี่สิบมันนึกถึงหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่ออายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยจิตใจมันปั่นปวดนะแออในช่วงที่มันในช่วงนั้นนะมันคล้ายๆมันมาลงมันต้มมันทาดขานมันบีบบังคับนะสัมมะเนนก็อยากจะศึกดิ่สมาเนสานุสัมมะเนนอยากจะศึกอย่างแรงเลยจากนั้นก็เอาบริขาร ได้ก็เดินกลับมาหาแม่แม่ที่เป็นมนุษย์นะแม่ก็เห็นลูกชายมาเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยลูกชายมาก็มากับเพื่อนก็มากับครูบาอาจารย์แต่บัดนี้ทําไมมาคนเดียววะแปลกแล้วก็มอมแมมอีกต่างหากลักษณะคนที่อยากจะศึกใช่ไหมเฮ้ผมเผาเขามาอยากจะปงผ้าเขามาอยากจะซักเลยเด้เออค่ายาค้ามันจิตใจมันไปทางขลวาวัดแล้วเนี่ยมันทิพจิตใจมัน ไม่ผ่องใสไม่ปลอดโปร่งล่ะจิตใจมันเศร้าหมองล่ะร่างกายมันก็เศร้าหมองไปด้วยแม่ก็แปลกใจพอมาแลยก็มานั่งนะแม่ก็ถามว่าลูกทำไมมาวันนี้มาคนเดียวไม่มีหมูมีเพื่อนมีครูบาอาจารย์มาด้วยลูกชายโอ้แม่เนเนี่ยอยากจะศึกแล้ว่างนั้นแพ่แม่โอ้ลูกจะศึกไปทาไมแม่ยก ให้บวชให้พระพุทธศาสนาแล้วแล้วกลับจะมากับมาหาความทุกข์อีกเหรอลูกก็อย่ั้นเออแต่พระไม่เอาเธอเนะ่นั่งอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะทำข้าวต้มอะไรให้ทานซะก่อนแล้วจากแม่จะทำอาหารให้ทานอีกอาหารหนักให้ทานอีกที่หลังใชอจัดอานาเรียบร้อยแล้วให้ลูกชายนั่งแล้วก็ดื่มน้ายาคู น้ำข้าวต้มเสร็จแล้วแม่กำลังไปซาวข้าวที่จะนึ่งข้าวหุงข้าวทาตอยแต่นี่นางยักกินีที่เป็นแม่เก่านะเอลูกชายของเราจะไปไปที่ไหนได้อาหารอะไอย่างนั้นขนาดเป็นยักษินีเป็นเทดเนวดนะายังเป็นห่วงเนี่ยยังเป็นห่วงลูกชายวะได้อาหารอะไอย่างน้อวะในลูกของเรานะี่ยนี่นแหละแม่ในอดีตก็ยังปิดนึกเป็นห่วงพอมาตามมามาเห็น เออมาเห็นลูกชายเอ่ยกำลังนั่งด้วยความเศร้ามองเนี่ยทราบว่าแม่ลูกชายอยากจะสึกทีนี่ยัยกษคินีเสียใจอีกเหมือนกัน เ, เพราะว่าลูกแม่เห็นลูกชายจะศึกโอ้ไม่ได้เราจะต้องทําการอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ให้ลูกชายของเราลาชิกขาเพื่อจะให้กลับใจใหม่ะอผลในสุดนางยักษคินีก็เลยเข้าไปเข้าไปสิงอ เข้าไปสิงลูกชายที่เป็นสัมมาเนนเะนี่ยพอไปเสียงก็บีดคอแล้วนะนะกันนะบีดคอเน่ะเน้นก็ล้มตาเหลือกเลยทีนี่นี่ <c oughs> นแหละผีเข้ามันมีไนะจททายาดโยมลูกหลานอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะเรื่องที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะพอตาเหลือกล้มลงกับพื้นแล้วกันนะจงผู้แม่ก็เห็นลูกชายล้มมึงจะทำยังไงได้กระโดดเข้าไปจับขึ้นมาก็มานั่งอยู่บนตักตัวเองเนะ่ ไม่ว่าเป็นเนนแล้วแต่เนี่ยพราะมันความรักไงเออทำไมเป็นอย่างนี้วะเออทาไมเนี่ยตาบิดตาเบือนไปเลยลูกแต่นั้นมันชักนะเออทำไมลูกนั่งอยู่ดีๆทําไมเป็นอย่างนี้เนะแม่กําลังจะเสาข้าวทําอาหารอยู่เนะี่ยลูกชายกับล้มตึงลงไปก็ชักตีนชักงอเลยตนะ่ยตาเหลือกเนะ่ยแต่นีก่ก็แม่ก็เลยบอกโอ้ยลูกก็ไอ้เอ อ, อ, อทำไมเป็นสมณเนนขนาดนี้ ทําไมจึงเป็นลักษณะผีสิงหรือลักษณะอย่างนี้ละเขาก็รู้เลยมันเป็นลักษณะนี้ตามไม่ตามปกตินี่พระรหันทรัราารทนตนสท่านพูดไว้ว่าผู้ใดก็ตามรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลห้ายึดพระไตรสรนคมมั่นคงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงและก็รักษาศีลทุก8ปดคาสิบห้าคำ ผีก็ดีอนมนุษย์ก็ดีจะไม่เข้ามากล่ำกลายคนผู้นั้นแต่ทำไมลูกเนี่ยเป็นสัมมาณีจึงได้เป็นอย่างนี้หนอเออแม่ก็มีแต่เพอเพอว่าั ง, ง, ง, ง, งแต่เออเออเพอว่าแต่ยางนางยักกินีที่เข้าเสิงบอกว่าออตามไม่จริงต้องเป็นอย่างนั้น แต่นี่สัมนเนเนี่ยเป็นผู้มีเป็นผู้มีม จ, จิตใจไฟไปทางครวาดมันออกออกออกออกไปนอกลูก่นอกทางมาเออจากนั้นพอสัมมเนก็เลยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เอา้าทำไมคุณแม่ทำไมอาตมาเนนเป็นยังไงทาไมเป็นอย่างนี้นะแม่นั่งอยู่ดีๆเห็นแม่กำลังซาวข้าวจะทำ ฉัเออหงข้าวอยู่นึกก็มองดีดีมันทำมเป็นไรคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะั่นแหละงั้นเนี่ยนะลูกนะแม่คิดได้อย่างเดียวถึงลูกจะตายในในฆราวาสเนี่ยออกไปเป็นฆราวาส เ, เหมือนกับลูกตายแต่ถ้าวันลูกเป็นเป็นนักพรตนักบวชอยู่ตรงนี้นะแม่วันลูก ยังมีชีวิตยอยู่นะถ้าลูกออกไปฆลาวานแม่จะเสียใจเหมือนกับลูกตายแล้วนะถ้าหากว่าลูกยังมีอยู่ยังเป็นนักพรตนักบวชอยู่เหมือนกับลูกของเราลูกของแม่ยังมีชีวิตยอยูอ่ขอให้ลูกอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปเถอะนะลูกนะวอาทางลูกชายนะก็องุ อ, อาถามแม่อยากจะให้ผมบวชเอา้าตั้งแต่บันนี้ไปจะ อ, อยู่ตลอดไป ตัดสินใจเลยเนีนั้นก็แม่ก็เลยบอกว่าลูกมีอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ลูกยี่สิบแล้วแม่เออเอาทางงั้นแม่จะจัดบริขารให้แม่ก็เลยหาพวกผ้าพวกอะไรให้บริขารครบถ้วนบริบูรณ์จากนั้นเคยมอบให้ลูกชายลูกชายก็ได้ไปบวชอุปสมบทพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมให้ฟังยทีนี้ คำว่าทันความิดเลสภายในจิตใจเนี่ย ม, มันข่าวมันคึกมันคึกมันขนองตอง่เพราะฉะนั้นต้องข่มต้องใช้วิธีการข่มต้องข่มเขาต้องบังคับในการอย่างที่เป็นหลวงตามหาบัวท่านก็บ่าอดนอนพร อ, อาหา ร, บ, ารบังคับให้ใจอยู่ในกรอบให้ใจอยู่ในหลักพระธรรมพินัยให้อยู่ในสมาธิอย่าให้มันคิด ไปตามอาเภอใจอย่าให้มันป่งฟุ้งไปตามอาเภอใจบังคับให้อยู่กับสมาธิในเมื่อสมาธิจิตแล้วให้เดินปัญญาพิจารณากัรกลองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นท่านจะเอาชนะกิเลสภายในใจของท่านได้จนพระสานุสา ม, มเนาก็ปฏิบัติได้สําเร็จเป็นพระหรันจากนั้นท่านก็ <c oughs> เป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรม ในปฏิสัมพิธาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนจนอายุของท่านได้ร้อยี่สิปีเนะนี่ยนะ น, นี้คือสมมมณอนี่หลวงพ่อเองมันนึกย้อนหลังตรงที่ว่านี่แหละอมนุษย์เนี่ยนะเอออมนุษย์เนี่ยคือว่าสรุปแล้วคือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดเกิดอีกแต่ใครจะเกิดเป็นอะไรเท่านะั้นบางทีก็เกิดเป็นเทวดา บางคนก็เกิดเป็นยักษกินีคนที่เป็นยักษกินีก็คือเป็นผู้มีจิตใจดุร้ายนะเป็นผู้มีจิตใจดุร้ายโมโหโกธรบาปกรรมตัวนั้นก็เข้าไปสนองเมื่อตายจากมนุษย์ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพวกยักษ์ินียักษโคนอ้ยักษโคนก็คือยักษผู้ชายใช่ยักษกินีก็คือยักษ์ผู้หญิงฮะมันเป็นได้ตั้งผู้หญิงผู้ชายนะเป็นยักษนะนี่แหละ อันนี้ก็คือบาปกรรมของยักษ์แต่ยักษ์นี้ก็มีเจตนาดีที่สัมมเนนเได้เวลาสมมเนนแสดงธรรมหรือประกอบคุณงามความดีทุกอย่างก็ลำลึกถึงว่าแม่ของข้าพ่อของข้าในอดีตชาติาถ้าตกทุกข์ไยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอยากข้าพรเจ้าได้กระทาในคราวนี้ครั้งนี้ มีส่วนทุกครั้งที่ข้าพ ร, ระเจ้าประกอบคุณรักคุณงามความดีทุกครั้งด้วยเทนะินนี่แหละอันนี้ ค, คือส่วนหนึ่งนะการสถาทายญาติโยมลูกหลานเป็นเราเราประกอบหรือเราไหว้พระือเรารักษาศีลหรือเราให้ทานหรือเราทำบุญอะไรก็าตามหรือเราช่วยสาธารณประโยชน์อย่างไรก็าตามเมื่อทำเสร็จแล้วนะให้เรานอบจิตุทิศส่วนก็ส่วน ต่อผู้มีอุปกระคุณสําหรับพวกเราอันนั้นจะถูกหลักในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณพวกนี้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าอย่าลืมทุกครั้งก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลจบแล้วเราก็ให้อุทิศส่วนกุศลทุกครั้งเพราะว่า เราเกิดมาเราไม่ใช่ไม่ใช่เกิดมาพบนีชาตินี้ชาติเดียวนะอดีตแต่ชาติของเราก็มีอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านมีญาณรัศนะ์ท่านรู้ว่าอดีตแต่ชาติของข้าพเจ้าเลยมาจากไหนเริ่มต้นจากตรงไหนที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ก็เหมือนกันความเป็นมาของพระสาวกแต่ละองค์ อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันท่านก็มีบุคคลชาติหรือว่าอดีตชาติของท่านมันมีทุกคนเพราะฉะนั้นในอดีตชาติของเราบางชาติก็เราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเพ้อเพลยังทําความชั่วอีกต่างหากแต่บางชาติจะทำแต่คุณงามความดีความชั่วน้อยแต่บาง บ า, บางชาติก็คลากันไปอย่างนี้เป็นต้นบางทีกิดใจของเราก็ถล่มมันทำความดีจริงยุแต่ว่ามันถลําออกไปมันเผลอออกไปมันถลําออกไปไปทำความชั่วเนะี่นี่แหละความชั่วตอนนั้นะ่ะจะให้ผลตอบรับ ต, ตอบแทนต อ, ตอบเรานะเมื่อเราทำกรรมชั่วกำชั่วก็ให้ผลทำกรรมดีกรรมดีก็ให้ผล เพราะฉนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะให้พวกเรามีสติมีสติสัมปชัญญะจัดทำสิ่งใดที่มันจะเป็นบาปอากุศลที่จะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีควรจะเบลกควรจะห้ามตนเองอย่าทําในสิ่งที่มันชั่วมันไม่ดีนี่เมื่อทําไปแล้วนะกรรมชั่วตัว น, นั้นจะให้ผลเอเมื่อให้ผลแล้วเป็นยังไงตนเองนั่นแหละนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะกรรมเก่าให้ผลเพราะนั้นในหลักของพรษษะศาสนาท่านเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นอย่าทาความชั่วเนอะทําแต่คุณงามความดีเ <c oughs> มื่อทําคุณงามความดีเสร็จแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายด้วยน <c oughs> ในหลัวันนี้พวกเราก็ได้มาสู่วัดวาศาสนาปิดงานมาทำบุญปีใหม่ คงจะไม่ใช่วัดเดียวนะหลายหลายวัดนะในเมื่อพวกเราได้มาทําบุญแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลน้าพี่น้องลูกหลานแต่ในช่วงนี้หลวงพ่อออกมาฉันศาลาข้างนอกอ่ศาลาข้างในกาลังกำลังต่อเติมน่ะลูกหลานต่อเติมปีกศาลากําลังทําอยู่ช่างกำลังทําอยู่มันยังไม่เสร็จนะก็เลยออกมาฉันข้างนอกก่อน ในเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเข้าไปฉันข้างในแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าอีกเหมือนกันพี่น้องลูกหลานมาสู่วัดวาศาสนาปีใหม่เยอะก็ออกมาใช้ศาลาให้มันคุ้มค่าถ้าเราไม่ใช้เสดิมก็เศร้าหมองเหมือนกันนะศาลาของเราเพระนั้นคือสลับกันใช้ข้างนอกโดยใช้ข้างในด้วยแต่ข้างนอกข้างในเนี่ยเดี๋ยวนี้กาลังต่อเติมยังไม่เสร็จกาลัง ถ้าช่างเขากําลังจะทําอยู่งดปีใหม่ล้วก็ช่างเขาก็หยุดจุดไปะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะเขาคงจะไม่กี่วัน่ะที่ว่า น, น่าจะเสร็จเพราะเราไม่ได้ทําอะไรมากพิจาต่อเติมต่อปีก็ออกต่อปีก อ, อก่อยมันกว้างขึ้นมันแคบเราตีออกมาใช้สลาข้างนอก <c oughs> แต่บางคนกับลูกหลานบางคนก็มาก็ไม่รู้ว่าหลวงวัดของเราไปอยู่ตรงนี้ตรงข้ามงน น่นเขาไปสูส่ศาลาข้างในก็ไม่รู้กี่กี่หมูกีบเพื่อนเหมือนกันนะหลายคนมาเนินถนะลามเข้าไปข้างในก็ไปข้างในเขาไม่เห็นผ้าเห็นขนเงียบจังเอ้หลวงพ่อไปไหนเนี่ย <c oughs> ก็มีคนแก่คนหนึ่งเฝ้าอยู่นั่นนะนเฝ้าอยู่ศาล า, า <c oughs> ก็เป็นผู้บอกให้ลูกหลานคณะสัทธาแยกโยมออกมาข้างนอกนะ เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนตรีนอ <c oughs> หลับพร อ, อุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว